ข้อความในจริยาปิฎกก่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการพิจารณาโทษของการไม่เจริญบารมีและก็อานิสงของการเจริญบารมีไปได้สีข้อแล้วนะได้สี่บารมีโทษของการไม่ให้ทานคุ ณ, ณประโยชน์อันิสงที่เกิดจากการให้ทาน โทษที่เกิดจากการไม่รักษาศีลคุณประโยชน์บุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลโทษของการไม่เจรเนฆามะกับคุณประโยชน์อันิสง์ผลกำไรที่เกิดจากการเจรเนฆามะโทษของการไม่มีปัญญาโทษของความโง่เขลาโทษของความเข้าใจผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายกับอนิสงของสติปัญญาความรู้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับดวงตา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 ที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปที่ไหนมีอันตรายที่ไหนไม่มีอันตรายด้วยอนุภาพของตาด้วยอนุภาพของแสงสว่างชั้นใดชีวิตของผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ฉันนั้นจะมองเห็นว่าอะไรเป็นความสม่ำเสมอทางกายอะไรเป็นความไม่สม่ำเสมออะไรเป็นคําพูดที่สม่ำเสมออะไรเป็นคําพูดที่ไม่สม่ำเสมอ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 บุญกุศลคุณงามความดีก็คือทานทุกคนก็รู้ว่าการให้ทานนี่ดีและมีประโยชน์การรักษาศีนดีมีประโยชน์การเจริญเนฆา ม, มะเจริญสมถะทั้งหลายทุกคนก็ยอมรับว่าดีมีประโยชน์แม้แต่การเจริญปัญญาว่าคุณนประโยชน์อา น, นิสงส์ของปัญญานั้นดียิ่งใหญ่ใครที่มีปัญญาผู้นั้นก็พ้นทุกทีนี้รู้อยู่แล้วเนี่ยนะถามว่าความสําเร็จแห่งบุญกุศลเหล่านั้นดูได้จากอะไร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 จเจริญไม่ได้คนรักษาศีลก็เหมือนกันคนเกลียดคร้านไม่สามารถจะรักษาศีลได้ปัญญาเนี่ยนะปัญญานั้นคนขี้เกียจเนี่ยนะยากที่จะเจริญด้วยปัญญาในปัญญาที่เป็นโลกิยะยังต้องอาศัยความเพียรจะกล่าวไปยัยถึงปัญญาที่เป็นโลกุตระเพราะผู้ปราศจกความเพียรไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากลําบากจึงสามารถบรรลุได้โดยไม่ยาก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 รักษาที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดคือเพิ่มพูนพัฒนาให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกำจัดอากุศลออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอากุศลจนกว่ า, ากุศลจะเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์จริงอยู่จริงอยู่ตัวนี้แปลว่าศัพที่เน้นตอกย้ำว่าผู้มีความเพียรต่าไม่สามารถจะปราลบว่าเราจักยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากห้วงสงสาร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 ที่จะตรัสรู้ได้นี่นะยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์นี้ภาคเพียรพยายามอย่างคืนสุดท้ายเนี่ยนะพระองค์เพียรว่าไงร่างกายของเราจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจมเหิืแห้งไปถ้าหากว่าเราไม่บรรลุด้วยความภาคเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษเราจะไม่เลิกเนี่ยนะมว่าสละชีวิตทุกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน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 อย่างน้อยที่สุดถึงภายนอกดูไม่ทำแต่คิดในเรื่องนั้นมากกว่าคนอื่นคิดมากนักเนี่ยนะเป็นคนที่พิจรารณามากจึงจะประสบความสำเร็จนะสิ่งนั้นๆได้นี้ก็เหมือนกันผู้ที่จะนำตนออกจากวัตฏะก็ต้องเพียรมากอยู่แล้วแล้วผู้ที่จะนำตนออกด้วยและนำผู้อื่นออกด้วยมากกว่านั้นเรียกว่าพายเรือลําน้อยที่จะพาให้ตัวเองข้ามข้ามห่วงน้าไปเนี่ยนะ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 อยู่ด้วยความเกียจคร้านอาเกียนไปด้วยกองกิเลศเนี่ยนะหมักหมมด้วยบาปอากุศลทั้งหลายเคยได้ยินไหมในาศาสนาที่เป็นพระโสดาบันทำอย่างนั้นจนเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะนอนกลิ้งเปลือกจนเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะไม่มีมีแต่นอนและเจริญกรรมฐานแตบบ่เรียกว่าอย่างพระรูปหนึ่งนนะท่านเป็นบุรุษพิเศษไม่เหมือนคนอื่นมีอยู่องค์เดียวในาศาสนานี้ท่านเดินเนี่ยเดินเจ็วันเลย นั่งก็นั่งเจ็วันยืนก็ยืนเจวันนอนอีกเจวันบรรลุเลยสแสดงว่ายืนทําอะไรยืนตั้งเจ็ดวันเดินตั้งเจ็วันนั่งนั้งเจ็วันแล้วนอนเนี่ยแม่แทบไม่ลุกเลยเจ็ดวันแล้วบรรลุได้นี่นะทนนอนยังไงจึงสามารถยังวิสุทธิเจ็ดให้เกิดขึ้นนี่นะนั่นอ่ะเป็นผู้ที่ปรารบรความเพียรนั้นคําว่าความเพียรนั้นเพียรทางกายและทางใจพระรยาศสาวกทุกองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเพียรเนี่ยนะแม้กระทั่งพระ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 ไม่มีเลิกราในระหว่างเป็นการอธิษฐานความเพียงที่เรียกว่าไม่มีอะไรทาให้ท่านเปลี่ยนใจได้ น, นะนะเพราะอะไรทาไมถึงต้องเพียงมากมายขนาดนั้นเพราะหมู่แห่งกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่ประทุสลายทั้งหลายเครื่องประทุสลายใจทั้งหลายมีราคาเป็นต้นเป็นสิ่งที่บุคคลห้ามได้ยากเหมือนคชสารตกมันใครไปห้ามช้างตกมันดูสิ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 อเอาไม่อยู่ก็เลยเรียกว่าช้างเหลือขอก็เลยมารัดเหลือแต่คำว่าเหลือขอจริงๆแปลว่าพูดยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จจะจิตจะโบยจะตีจะเขี้ยนจะเข็นจะฆ่ายัางไงก็ไม่สำเร็จว่างั้นราคาทั้งหลายโดยมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆยากว่างั้นเหมือนโคจฉาสตกมันก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะช้างช้างโคจฉาสตกมันเนี่ยมันไม่เคยเกรงกลัวอะไรทั้งโดยเฉพาะมันได้กลิ่นช้าง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 ดูแลควบคุมช้างได้ก็บอกโอ้ข้าพระองค์ยังห้ามไม่ได้พระเจ้ากษัตริย์เสรน่าบอกว่าแต่ว่าช้างเชือกนี้อีกไม่นานจะมาไม่เกินสามวันช้างจะกลับมาพระราชาก็เลยขาดโทษทายในสามวันไม่มาท่านหัวขาดแนนะ่ก็วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามช้างก็กลับมาจริงๆทีนี้พอกลับมาเนี่ยพระราชาก็สอบสวนว่าทําไมช้างเชือกนี้จึงกลับมา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 ทะลักมนท่วมมนบอกโอ้โหราคาของสัตว์ทั้งหลายทําไมมันแรงขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดับราคาได้แล้วเราจะดับราคาแก่สัตว์อื่นด้วยเนี่ยนะนั่นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องกําจัดราคาของเราให้ได้แล้วเราจะช่วยสัตว์ทั้งหลายกําจัดราคาด้วยเพราะนเหมือนกับว่าโคจะสานตกมันลองดูเถราคาเนะีเอาโทรศัพท์เราลองโกรธอะไรดูมันใช่ห้ามกันง่ายๆนะเออถ้าบอกว่า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 โมหะถือเอาราคะโทสะโมหะที่จริงเนี่ยรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามพฤติกรรมประจําวันของเราเนี่ยสมาทานแหมเรียกว่าขันเกลียวรัดทีละนิดทีละนิดขันตัวเองด้วยราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะเช่นเห็นปียรูปสาธรูปก็ชอบเห็นอภิยรูปอสาธรูปก็ไม่ชอบไอทั้งชอบและไม่ชอบก็โง่ทั้งคู่ทีนี้มันก็สะสมสามตัวเนี่ยนะชอบไม่ชอบโง่ชอบไม่ชอบโง่โง่ชอบชอบ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 ขณะเดียวกันนี้บาปอากุศลที่มันเหมือนกับเพชฌขาดคอยตัดศีรษะคือกุศลให้ตกไปสู่อาบายทุกขติวินญญาณนะรกนี่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาพราะนนั้ถ้าไม่มีศีลเป็นเป็นกุญแจห้ามเนี่ยนะที่จะปิดประตูอาบายเนี่ยนะถ้าไม่มีสมถาวิปัสสนาเป็นต้นเป็นกุญแจห้ามล็อกปิดประตูอาบา ย, นยาเนี่ยยากนะเนีเพราะมันเปิดเนื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วใจมันก็ฉุดลงไปตรงนั้นด้วย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 หาตัวเธอไม่มีเมื่อทุกแห่งมีการฆ่าทุกแห่งมีการโกงทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งกาเมเป็นที่ตั้งแห่งมูสาวะเท่ากับทุกแห่งเปิดประตูอาบายไว้หมดพระบาปอากุศลเหล่านี้เนี่ยนะที่เปิดประตูอาบายทุกขติวินิบาตนรกขนาดนี้แล้วถามว่าและไอประตูเหล่านี้มันสูบด้วยนะมันเครื่องสูบเอา้ามันสูบให้เกิดราคะสูบให้เกิดโทสะสูบให้เกิดโมหะนั่นแหละก็คือสูบไปสู่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 ไม่ใช่น้อยนั่นคือกระแสแห่งสังสารวัตที่มันสูบลงไปเนี่ยนะสู่ชาติชราและมรณะนี้สุขติยังขนาดนี้แล้วอบายทุคติวินิบาตจะขนาดไหนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมิตรชั่วชักชวนในการทําอกุศลมานานสั่งสมชํานาญแล้วโดยปกติเนี่ยนะคำของคนชั่วฟังโอ้ยฟังแล้วเข้าใจทันทีอธิบายยังไงก็เข้าใจง่ายบอกโอ้ยธรรมะนี่มันยากมันเย็นเหลือเกินเขาบองั้น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 ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราท่านมีหนะ้าที่เลี้ยงดูเราเนี่ยนะนะคือสรุปว่าบุตรภริยาหรือโตขึ้นมาก็เลี้ยงตัวเองก็แล้วกันเนี่ยนะคือสรุปว่ามงคลสาสิบดเนี่ยทำตรงกันข้ามหมดที่พระพุทธเจ้าสอนมันผลมันจะไปไหนแพ้ตลอดกาลก็ดูว่าผลออกมาก็คือนั่นะอับประมงคลข้อท้ายๆเนี่ยนะใจเป็นยังไงวันไว้ในโลกกระทำตลอดเวลาจิตใจลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขลงลงเนี่ย น, นะนะขณะเดียวกัน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 เอาเนี่ยสมมุติถ้าเราเด่นเด็กอนุบาลเแบะเบาเกิดมาไม่รู้อะไรเลยหนูเขียนกอไก่บอกเอ๊ไม่เหมือนไก่เลยนะีแต่ตัวนี้ไม่เหมือนไก่เลยขอไข่เอ๊ะทำไมไม่กลมคอควายเอ๊ะไม่เห็นมีเขาชอช้างไม่เห็นมีงาไงนะถ้าสงสัยตั้งแต่แรกเนะี่ยคิดว่าจะอ่านหนังสือออกเลยเนะียเทียงคนแนะนํานักทุกคําทุกคําทุกคําทุกคํา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 มันโดยมากเราก็ทําตามคําของมิตรชั่วกันมานานเพราะอะไรเพราะความเป็นคนพานเนี่ยนะความเป็นปุตุชนคนพานเนี่ยยากที่จะออกจากสังสารทุกข์ได้นียยากที่จะออกจากสังสารทุกข์ได้เพราะะผู้ที่จะเพียนเพียนออกจากสังสารทุกข์เพียนด้วยลําพังตัวเองก็ยังไม่พอช่วยผู้อื่นด้วยจะต้องภาคเพียนขนาดไหนเนี่ยนะเพราะ คนพาลทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีสติคบกับบัณฑิตไม่มีการประพฤติป ฏ, ฏิบัติตามโอวาทตามถ้อยคําของบัณฑิตยากที่จะออกจากทุกข์ได้ say, คำว่ายากเนี่ยนะพูดเผื่อๆไว้ไงั้นะจริงๆอะ่ะแปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากทุกข์เพราะอะไรเพราะคนที่มีความภาคเพียรนั้นะ่ะคือคนที่เกียกกรติกันกาจัดอกุศลวิตกให้ออกไปไกล